วัดป่าบ้านตาดบ้านที่สองวัดป่าบ้านตาดเป็นวัดที่ร่มรือนที่สุดทุกอาทิตย์ผมจะต้องกลับมาบ้านแห่งที่สองนี้มากราบหลวงตาผมเห็นความอ่อนแรงของท่านมากขึ้นแต่ท่านอย่างเข้มแข็งอยากจะเดินตรวจไปทั่ววัดเหมือนปกติถือเป็นการออกกําลังกายของท่านท่านมีไม้เล็กๆหนึ่งอันถือติดมือไปตลอดทางอีกมือไพล่หลัง เดินตัวตรงเหมือนเมื่อหลายสิบปีก่อนสายตากวาดมองทุกสิ่งตั้งแต่พื้นดินจนถึงยอดไม้แววตาที่เคยเป็นประกายเข้มขมกลับอ่อนโยนแต่ไม่ได้ฟ้าฟางไปตามวัยมีผู้เดินตามห่างๆคอยดูแลท่านตลอดทางท่านไม่ให้พระเดินตามมีแต่เจ้าหน้าที่ ร, ปรอปภเท่านั้นที่คอยดูแลท่านหลวงตาท่านเดินเท่าที่จะทําได้ทั้งบ่ายและเย็น ท่านไม่เคยหยุดหากยังเดินไหวบางครั้งอาจจะมีอาการไอน้ำมูกไหลตลอดเวลาจนทําให้ท่านอ่อนเพลียแต่ความเมตตาของท่านไม่เคยอ่อนแรงกลับทวีมากขึ้นท่านเทศทุกวันมากบ้างน้อยบ้างตามกาลังทาดุขันของท่านตั้งแต่เทศโดยไม่มีเครื่องขยายเสียงมาช่วยจนบัดนี้มีเครื่องขยายเสียงที่ทำให้ผ่อนแรงท่านลงไปได้มาก ผู้ฟังก็ได้ยินกันทั่วถึงหมดและปัจจุบันมีการถ่ายทอดออกไปทั่วโลกที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งก็คือมีเจ้าหน้าที่พิมพ์คําเทศตะวันของท่านลงในอินเทอร์เน็ตทุกวันนับเป็นความการุณาที่ทุ่มเทถาท่ายทอดออกไปให้ผู้ที่ไม่ได้ฟังหรือฟังไม่สะดวกได้มีโอกาสอ่านและสามารถเก็บข้อมูลคําเทศของท่านไว้อ่านทบทวนได้ทุกเวลาที่ต้องการผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ดําเนินการ แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามผมขอแสดงความชื่นชมและร่วมอนุโมทนาในความอุตสาหะที่ได้พยายามเก็บรักษาและเผยแพร่ธรรมเทศนาของท่านออกไปให้กว้างขวางขึ้นครับ